สิ บ, บทนี้เป็นพุทธวจนะที่ยากจะโต้แย้งได้อันว่าความรักนั้นไม่ว่าจะเกิดขึ้นกับใครล้วนส่งผลเท่าเทียมกันความรักเช่นนั้นก็ได้ก่อให้เกิดความทุกข์อันใหญ่หลวงยิ่งนักความรักอันร้อนร้ายนั้นยังได้เกิดกับบรรพชิตผู้ที่ได้ชื่อว่า สละเสียซึ่งความรัก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 อย่าคิดอย่างนั้นเลยน้องหญิงอัตมาไม่มีวันณะแล้วอัตมาเป็นสา ม, มสัญสกเยบุตและเป็นมนุษย์เท่าเทียมกับน้องหญิงนั่นเองเพื่อคุณเจ้าข้าพเจ้ามิได้หวงน้ำเลยแต่เกรงว่าถ้าท่านต้องรับของจากมือคนต่างวันณะโดยเฉพาะวันณะที่ต่ำต้อยยิ่งข่าด้วยแล้ว จะทำให้ท่านเป็นมนทินและจะเป็นบาปแก่ข้าพเจ้ายิ่งนักน้องหญิงมนทินและบาปจะมีแก่ผู้มีเมตตากรุณาไม่ได้การที่อาตมาขอน้าและน้องหญิงให้น้านั้นมีแต่จะเป็นบุญและธรรมซึ่งจะปลดเปลื้องบาปและมนทินน้องหญิงเรื่องวันละนั้น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 ประโยชน์อะไรที่เธอจะมารักคนอย่างอาตมาอาตมารักพระาศาสดาและพรหมจรรย์นจนหมดหัวใจเสียแล้วไม่มีหัวใจไว้รักสิ่งใดได้อีกน้องหญิงพระภิกษุในพระาศาสนานั้นจะมีธาตุไว้ใช้ก็ไม่ได้ยิ่งเธอเป็นหญิงด้วยแล้ว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 ข้าพระพุทธเจ้ารักในตาพระอานนท์พระเจ้าข้าในตานั้นประกอบด้วยเส้นประสาทและเนื้ออ่อนมีขี้ตาไหลออกจากในตาอยู่เสมอครั้นแก่ลงก็จักฝ้าฟังขนมัวไม่จำใสอย่างนี้เธอยังจะรักในตาของอานอนท์อยู่หรือถ้าอย่างนั้นข้าพระองค์ รักหูของพระอานอนท์พระเจ้าค่ะภคินีหูนั้นประกอบด้วยเส้นเอ็นและเนื้อภายในช่องหูมีของโสโรครกเป็นอันมากมีกลิ่นเหม็นต้องแคคคขอยู่เสมอครั้นชาราลงก้นหนวดังนี้แล้วเธอจะยังรักอยู่หรือถ้าอย่างนั้นข้าพระองค์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 ก็ทรงชี้แจงให้พิจารณาเห็นความเป็นจริงของร่างกายอันสกกระปรกเปื่อยเน่านี้ในที่สุดนางก็นั่งก้มหน้านิ่งด้วยจนต่อเหตุและผลพระพุทธองค์จึงตรัสว่าพักนีเอ๋ยอันร่างกายนี้สะสมไว้แต่ของโสกปรกโสโรครก มีสิ่งปฏิกูลไหลออกจากวาวรทั้งเก้าเป็นที่อาศัยแห่งสัตว์เล็กสัตว์น้อยเป็นป่าช้าแห่งซากสัตว์นานาชนิดเป็นรังแห่งโรคอุปมาเหมือนถุงหนังซึ่งบรรจุเอาสิ่งโสโรครกต่างๆเข้าไว้และซึมออกมาเสมอๆ เ, เจ้าของกายจึงต้องชำระล้างขัดทูวันละลหลายๆครั้ง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 ไฟคือราคะภายในจิตใจของนางนั้นยังคงคุกรุ่นอยู่ตลอดเวลานางคิดว่าจะทำไฉนิโหนอจะสามารถอยู่ใกล้พระอานนุนได้แต่เมื่อไม่ทราบจะทำประการใดต่อไปดีนางจึงได้แต่ทูลลาพระศาสดาและพระอานนุนกลับไปแม้กระนั้น นางก็ไม่ลืมที่จะชำเลืองมองพระอานนุนด้วยความเสน่หา สับกระสายไม่อาจคมตาให้หลับลงได้ทั้งคืนนางทาสีโกกีลาก็มายืนเหมรลอยอยู่บริเวณหน้าบ้านของเจ้านายขณะนั้นมีภิกษุณีรูปหนึ่งเดินถือบาตรผ่านมาภิกษุณีใช่แล้วเราจะบวชเป็นภิกษุณีจะได้อยู่ในบริเวณวัดเชตวัน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 พระศาสดาทรงเล็งเห็นอุปนิสัยแห่งนางแล้วก็ประธานอนุญาตรับนางเข้าอุปสมบทเป็นพระภิกษุณีอยู่ณสำนักในวัดเชตวันแห่งนั้นเอง เป็นผู้ที่มีความเพียรในการปฏิบัติและตั้งใจศึกษาในทางพระศาสนาด้วยดีสำรวมอยู่ในศิกขาบทปาติโมกข์เสมอด้วยภิกษุณีทั้งหลายจึงเป็นที่รักใคร่ของภิกษุณีอื่นๆทั้งนี้เพราะนางเป็นผู้ส ง, งียนเจียมตนและพอใจในวิเวกอีกด้วย มาบวชของนางนั้นก็เปรียบเสมือนนำน้ำมันมาวางไว้ใกล้เพลิงการได้เห็นพระอานนุนขณะให้โอวาดแก่ภิกษุณีบริษัททุกเวลาบ่ายทำให้นางนั้นไม่อาจดับไฟรักในใจลงไปได้แม้จะพยายามข่มด้วยอสุภกรรมฐานสักเท่าใดก็ตามที พระศาสดาได้ประทานโอวาทแก่คณะภิกษุณีเรื่องกิเลสสามประการคือราคะโทสะและโมหะพระพุทธองค์ตรัสว่ากิเลสทั้งสามประการนี้ย่อมเผาบุคคลผู้ยอมอยู่ใต้อำนาจของมันให้รุ่มร้อนกระวนกระวาย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 บุคคลซึ่งออกบวชแล้วเรียกได้ว่าได้ชักกายออกห่างจากกรรมราคะแต่ถ้าใจยังหมกมุ่นผัวพันอยู่ในกามก็หาสำเร็จประโยชน์แห่งการบวชไม่ดังนั้นภิกษุและภิกษณุณีเมื่อชักกายออกจากกามแล้วควรพยายามชักใจออกจากกาม ความเพลิดเพลินหลงหลเสียด้วยพุทธสุภาษิตของพระศาสดาเหมือนกับว่าดสาปวดเราโดยเฉพาะช่าง น, น่าละอายใจจริงๆที่เราเข้ามาบวชนี้ก็ไม่ได้มุ่งหมายเพื่อที่จะทำลายกองตันหาอะไรเลยแต่เพื่อมาให้อยู่ใกล้บุคคลอันเป็นที่รักต่างหากเล่า คิดแล้วนางก็ยิ่งกระวนกระวายใจมากยิ่งขึ้นพระอานนรือก็ไม่เคยทักทายปราศัยเป็นส่วนตัวเลยการได้เห็นคนที่ตนรักเป็นความสุขก็จริงแต่มันเล็กน้อยเกินไปเมื่อนำมาเทียบกับความทรมานในขนาดที่ต้องอยู่ยังโดดเดี่ยวว้าเว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 และสับสนนี่ละกระมังที่พระอานนอนพูดไว้แต่แรกที่พบกันว่าความรักเป็นความร้ายแต่เมื่อข้ารักท่านไปแล้วข้าควรจะทำฉันใดดีข้าคิดถึงท่านเหลือเกินพระอาอนนอ์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 ตลอดคืนทั้งน้อยใจเสียใจและเจ็บใจในตนเองพระอนอนต์หรือก็ช่างใจไม้ไทรกระมำจะเห็นแก่ความรักของเราบ้างหรือก็ไม่มีเลย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 ชีวิตของเรานี้ช่างเต็มไปด้วยความเป็นธาตุเมื่อก่อนบวชก็เป็นธาตุทางกายพอปลีกจากธาตุทางกายมาได้ก็มาตกเป็นธาตุทางใจเขาอีกแน่นอนทีเดียว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 จนควบคุมตัวเองไม่ได้นะ่ะใครๆเขาก็ดีใจกันทั้งนั้นแหละกกิลาดีใจที่จะได้ฟังธรรมกถาอันลึกซึง้งและได้ฟังมัทุระาสิทธ์ของพระมหาเถระทั้งพระสารีบุตรพระมหากษปะหรือพระ อ, น, อนนตะ์และและ้ววันที่รอคอยก็มาถึง พระศาสดามีพระภิกษุสงฆ์อรหันต์มู่ใหญ่เวทล้อมเสด็จถึงกรุงโกสัมพีพระราชาทิบดีอุเทนเสนาอมาัมมัดพ่อค้าประชาชนนับแสนอีกทั้งสมณะพราหมนาจารย์ถวายการต้อนรับยามโมโหลานยิ่งดอกไม้หลากสี ล้วนถูกนำมาโปรยปลายลงยังมักาเพื่อเป็นพุทธบูชาในบริเวณอารามก่อนเสด็จถึงพระคันทกุดีมีภิกษุและภิกษุณีจำนวนมากรอรับเสด็จทุกท่านมีแววแห่งปิติปราโมทถวายบังคมพระศาสดา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 คือเพราะหน้าที่อย่างหนึง่งและเพราะความเรียกร้องของหัวใจอย่างหนึง่งเราเป็นภิกษุณีไม่ใช่หญิงชาวบ้านธรรมดาเราต้องทำลายกามฉันทะให้หมดไปเราต้องทำลายทั้งความรักและความใคร่ที่เราจะต่อสู้กับความเรียกร้องของหัวใจได้ไหมหนออนิจจา กลาแม้เธอจะรู้ว่าความรักของเธอไม่มีทางจะสมปรารถนาได้เลยแต่เธอก็ยังรักและสุดที่จะหักห้ามหรือไทยทอนได้อีกคืนหนึง่งที่นางต้องกระวนกระวายรันจวนจิตถึงพระอานุได้แต่นอนพลิกไปพลิกมา มิอาจคมตาหลับลงได้พระดำรัสของพระศ า, าสดาซึ่งทรงแสดงแก่พุทธบริษัทเมื่อสายนยังคงแว่วอยู่ในโสตของนางไม่ควรปล่อยตนให้ตกอยู่ภายใต้อำนาจแห่งความรักเพราะการพลัดพรากจากสิ่งที่รักเป็นเรื่องทรมาน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 เหมือนจะเตือนให้ผู้อยู่เบื้องหลังสำนึกและเป็นพยานว่าเขาม่ได้เอาอะไรไปได้เลยเมื่อต้องลาจากโลกนี้ไปปาตมานั้นเกิดแล้วในสักยะวงศ์อันมีศักท์เมื่อตัดสินใจออกบวชติดตามพระพุทธองค์ก็มีอายุได้สามสิบหกปีจึงกล่าวได้ว่า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 แล้วจึงคลานมาหมอบเ ท, เท้าของพระอานุนนางสะอึกสะอื้นจนเทิมสั่นไปทั้งตัวนางพูดอะไรไม่ออกเพราะรู้สึกเสียใจอย่างสุดซึ้งที่ความรักของนางมีได้รับการตอบสนองเลยแม้แต่น้อยยิ่งกว่านั้นเมื่อนางทราบว่าพระอานุน มีได้เชื่อในอาการรวมของนางเลยจึงเกิดความละอายสุดที่จะทนทานได้นางจึงไม่สามารถพูดคำใดได้เลยนอกจากถอนสะอื้นอยู่ไปมาน้องหญิงหยุดร้องไห้เสียเถิดการร้องไห้ไม่มีประโยชน์อะไร ทั้งยังไม่ช่วยให้เรื่องหนักใจของเธอให้คลายลงได้พระอานุนนั้นปลอบนางอย่างพระอริยะแท้ภิกษุผู้เป็นปัจฉาสมณะของพระอา น, นุนต้องเบือนหน้าหนีไปทางหนึ่งด้วยเกรงว่าจะไม่สามารถกลั้นน้ำตาไว้ได้เป็นน้ำ อิสุนีโกกิลาจึงกล่าวออกมาข้าแต่พระคุณเจ้าข้าจะพยายามกลั้มกลืนฝืนใจปฏิบัติตามโอวาทของท่านแม้จะเป็นความทรมานสักปานใดข้าพระเจ้าก็จะอดทนและขอเธอทูลพระอนุชาวไว้ เป็นที่เคารพสการะอย่างสูงข้าไม่เจียมตัวเองจึงต้องทนทุกทรมานถึงปานนี้ข้าเป็นเพียงทาดทูลหม้อน้ำซึ่งพึงจะสำนึกตนเวลานี้เองความรักความอาลัยทำให้ข้าลืมชาติกำเนิด และความเหมาะสมใดๆทั้งสิ้นมาหลงรักพระอนุชาผู้สูงศักดิ์เช่นนี้น้องหญิงเรื่องชาติเรื่องตระกูลนั้นอย่านำมาปรารมเลยอัตมาไม่ได้เคยคิดถึงมันมาเป็นเวลานานแล้วที่อจตมาไม่รักน้องหญิงมิใช่เพราะว่าเธอเป็นทาสีดอก แต่เพราะอาตมาเห็นโทษแห่งความรักความเสน่หาตามที่พระศาสดาทรงสอนอยู่เสมอบัดนี้อาตมาเป็นอริยะวง์มีหน้าที่ต้องบำรุงพระศาสดาผู้เป็นนาถของโลกและต้องพยายามทำหน้าที่กำจัดอาสวะในจิตใจมิใช่เพิ่มอาสวะให้มากขึ้น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 เป็นแค่เพียงผู้ชี้บอกทางเท่านั้นส่วนความเพียรพยายามเพื่อเผาบาปอกุศลท่านทั้งหลายต้องทำเองทางมีอยู่เราชี้แล้วบอกแล้วท่านทั้งหลายต้องเดินเอง พระธรรมเทศนาของพระผู้มีพระภาคเจ้าในวันนั้นเหมือนเจาะจงเทศนาแก่ภิกษุณีโกกิลาโดยเฉพาะนางรู้สึกเหมือนพระองค์ประทับแก้ปัญหาหัวใจของนางให้หลุดร่วงพระองค์ผู้ทรงยานช่างหลับแลม